การที่พวกเรามแสวงหาซึ่งความสงบของใจนะใจเนี่ยก็แปลว่าเป็นกลางๆอยู่แต่เมื่อใจเราเมื่อถูกอารมณ์ก็ทำให้ใจกดแกว่งไปเพราะใจนี้ยังไม่มีความตั้งมั่นและยังไม่มีปัญญาและยังไม่เห็นโทษเห็นภัย ของความที่ใจไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายองสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทันให้พวกเรารักษาใจหัวใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างสมเด็จแล้วด้วยใจนั่นเองื่อใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสมเด็จแล้วด้วยใจเราจะสุขก็บอกว่าสุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจถ้าบางใจเราหงุดหงิดใจเราโมโห ใจเรามีโรคมีโกรธมีหลงนี่ก็ใจนี่แหละถ้าใจมีโรคมีโกรธ ม, มีหลงนั่นก็เป็นใจประกอบไปด้วยตัณหาอุปาทานถ้าใจของเรานั้นไม่มีความโรคโกรธหลงใจก็มีความสงบนั่นเราต้องมาฝึกใจถ้าเราไม่ฝึกแล้วนะเทวาจิตใจนี่ก็จะวิ่งไปตามอารมณ์เสมอและ ไม่รู้อะไรเหมือนกับเด็กๆเมื่อเห็นไฟมีความร้อนแต่ก็ไม่รู้จักก็ไปจับเข้ากับความร้อนของก้อนถ่านนั่นหรือก้อนเหล็กที่มันแดงๆไปหมดเลยก็ร้อนขึ้นมานะจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะไม่มีอารมณ์เข้ามาแล้วนะก็เข้าไปยึดไปถือทั้งนั้นแนหะเมื่อตาเห็นโล่หูฟังเสียงจมกูกได้กลิ่นเห็นสพัดรับกายเราต้องบทนภะ หรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นมาแล้วใจก็พยิดถือเอาเป็นเราเป็นของเราจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราทำบุญให้ทานเนี่ยนะเป็นการเสสระพระพุทธเจ้าจึงเทศอนุบุพิคถาคือเริ่มต้ น, นกรรมการให้ทานแล้วทำบุญ บริจาคทานเป็นการเสรสระทรัพย์ที่เราหามมาได้โดยชอบเพื่อแผ่ความสุขนั้นให้กับคนอื่นน่ก็เป็นบุญนกุศลมีอ น, นิสงส์เหมือนกันเพราะทานที่ให้แล้วผู้รับนั้นย่อมจะมีความสุขเมื่อเราให้ทานแล้วก็ น, นิสงส ก็จะเกิดขึ้นแในการให้ทานเราก็จะมีทรัพย์สินที่สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดมาชาติใดก็จะเกิดมาด้วยความพร้อมไปด้วยการมีทรัพย์ทั้งหลายเมื่อเรานั้นสมทานศีลเกิดขึ้นมาเราก็จะมีวัยวะครบคร่นบริบูรณ์สมบูรณ์ในศีลบารมีที่เรา ได้ปฏิบัติมาแล้วเนื้อเราไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์นั่งกายก็มีโรคน้อยถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตชีวิตกรรมจะตามมาก็ทําให้เรามีอายุสั้นนะทำให้เรามีอายุสั้นขึ้นมาได้นั่นก็พระเจ้าจึงสอนให้เรานะก็มีศีลสมรวมกายสรมรมวาจา สำ้มลมใจของเราให้มีศีลอันนี่สงของศีลก็เกิดความสุขสงบทางกายว่าจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องหวัดระแวงเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็มาพิจารณาว่าอันนี่สงแห่งการให้ทานสมบัตทานศีลก็จะมีความสุขใหญ่หรือทะเลวัสสกข์หรือสวรรค์ นสรรัสวรรค์สวรรค์ก็เกิดขึ้นในใจนี้ก่อนเมื่อใจของเรามีความสุขใจอิ่มใจก็เป็นสวรรค์ตาตยจากมนุษย์นี้ก็ถึงจะไปอยู่พบสวรรค์ก็ชื่อพบที่มีความสุขนะวสุขใจแต่สวรรค์นี้ก็ไม่เที่ยงอีกทั้งเราอยู่ได้สักล้านปีวันหนึ่งนั้นเมื่อบุญ แห่งการสร้างความดีหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มันจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้นวัตถุสวรรค์นี่การ น, นี้เมื่อเราทําบุญทําทา น, น, นในเรือนิสงส์สวรรค์เราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นโทษนะโทษของการเบียวบี้ตายเกิด ถึงจะมีความสุขสบายขนาดไหนแต่ชีวิตนี้มันก็ต้องตายไม่มีใครที่จะพ้นจากความตายไปได้ในโลกที่เกิดขึ้นมานี้ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาทุกชีวิตก็ต้องตายเพราะว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าสังขารสังขารสังขารแปลว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้น ร่างกายนี้ก็ว่ารูปสังขารที่มีวิญญาณคลองสังขารเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ําวัตถุสิ่งของทั้งหลายตังลมบั่นช่องซาลาโบสถ์เป็นสังขารเหมือนกันแต่ไม่มีวิญญาณคลองนะแต่ว่ามีจิตใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ได้สิ่งที่เป็นสังขารเนี่ย รูปสังขารภายนอกนี้หรือรูปสังขารภายในร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้แล้นเราก็ต้องพิจารณายอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขาร่าเป็นอย่างไรค่ยอมรับอย่างนั้นถ้าเราไปฝืนความเป็นจริงไม่ได้เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ําต้องไหลลงจากทางเหนือ ไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรเราใช้น้ํำไหล ย, ย้อนกลับไปก็ไม่ไหลเราจะไปยืนดูต้องการให้น้ํานี่ยมา ย, ย้อนกลับไปคิดอย่างนั้นก็เป็นทุกข์คิดไม่หยุดก็เป็นบ้าสังขารนี้ก็เหมือนกันกนะเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายบางคนก็ตายก่อนอายุไขก็มีรูปตายก่อนพ่อแม่ก็มีตายตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์ก็มีเกิดขึ้นมา สามวัน7วันตายก็มี3าเดือน7เดือนตายก็มี3ปี7ปีตายก็มีแหละไม่แน่นอนแหละสังขารเนี่ยปัจจัยที่มันปรุงแต่งมันแตกสลายเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้น่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รูปสังขารนี้มาแล้วก็อย่าประมาทมาได้อยู่กับเราคงทนเท้าวอนตลอดไปมาหนึ่งจิตมันก็จะต้องออกไปจากสังขารก้อนนี้แหละ ไม่งั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนหลวงพ่อชาวยังสอนว่าให้ตายก่อนตายเราใช้วัตถุสิ่งของทั้งหลายก็พิจารณาว่ามันต้องแตกก่อนเนี่มันจะแตกมีแก้วใบนึงก็พิจารณาว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วนะเราก็ใช้ไปวันหนึ่งมันแตกก็ยอมรับความจริงว่าเออเป็นอย่างนี้เราใช้รถกด็ดีใช้ลากด็ดีใช้วัตถุสิ่งของทั้งหลายมันก็ต้องเสื่อมไป มันไม่แน่นอนละ่ะมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เออเราก็ใช้ไปด้วยความมีสติปัญญายอมรับความเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นอย่างไรก็ยอมรับอย่างนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแร้วเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงนี่แหละไม่เที่ยงไม่แน่ของสังขารนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ มันร่างกายนี้เนี่ยนะเราทําบุญทาทานแล้วอะไรสองแห่งบุญแห่งฐานก็มีดางอธิบายมาแล้วแต่ว่าโรคแพ้แค่เจ็บมันก็เกิดขึ้นต้องเข้าใจว่ามันคนละอย่างกันร่างกายนี้มันก็ต่างเจ็บมันก็ต่างป่วยเป็นธรรมดาของสังขารของความเปลี่ยนแปลงเราจะพยายามรักษาอย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง เอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีพฤติจีเอผลในอาหารมากขึ้นน้ําก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละทำให้ร่างกายเราก็เกิดโรคขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยมันไม่แน่นะพระพุทธเจ้าสอนไม่ประมาทพระพุทองค์ว่าสังขาดเนี่ยมันไม่เที่ยงนะทังขาด น, นี่ไม่เที่ยงดูกรณีสูนย์ทั้งหลาย เราต้องพิจารณาอยู่หนึ่งเดือนว่าสังขารมันไม่เที่ยงนะอย่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะวยะธรรมาสังขารลาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะให้พิจารณาทั้งสังขารภายนอกสังขารภายในเสื่อมไปอย่างนี้ก่อนที่เราจะต้องพยายามเล่งสร้างความดีให้เห็นโทษของจิตที่มีความยินดีความพอใจอยู่ คิดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่มันก็มีโทษตรงนั้นแล้วก็พยายามมาปฏิบัติถือเนคขมมะการที่เรามานั่งสมาธิขนาดนี้แหละเราถือเนคขมมะในขณะนี้แล้วฝึกจิตให้มีเนคขมมะนะทำจิตให้สงบนิ่งเป็นเนคขมมะก็คือไม่คล้องเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลาย แม่จิตของเราไปเนื้คิดปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งหลายให้อยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่อยู่หรือดูอารมณ์ให้ใจเข้าออกหรือํำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมันนิ่งสงบเป็นสมาธิกระเถิว่าจิตของเรามีเนกขมมะเราเห็นโทษของการปรุงแต่งหุ่นวายแล้วก็พยายามพระคับประของจิตให้สงบอย่างนี้ มอจิตสงบแล้วคราวนี้เราก็จะพิจารณาเห็นอริยสัจสี่ละทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือเดินมรรคสินสมาธิปัญญาพิจารณารูปกายสังขารเน่เห็นเป็นอริจ้าทุกขังอนัตตานั่นแหละนื้จตาสังขารความรู้สึกทางจิตเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายเนี่ยบางครั้งจิตก็มีราคะโทสะโมหะบางครั้งก็ไม่มี ความยั่งยืนอะไรไม่ได้เลยอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตยอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่างนั้นเลยนะก็พิจารณามไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งรูปสังขานจิตต์ทั้งขั น, นะใจของเราจะสงบน ะ, นะใจของเราก็จะสงบนิ่งด้วยมีความปันมีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เรามาวัดก็เปการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นหาปัญญาให้เกิดขึ้นกับในใจของเรา เมื่อเราถึงพร้อมแล้วด้วยทานด้วยศีลนะก็พยายามสร้างความดีดยการภาวนาพิจารณาให้ยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้หาตัวหตนแท้จริงไม่ได้เราบังคับบัญชาไม่ได้ในรูปในานามเนี่ยแต่ว่าใจที่เห็นผิดก็คิดว่ามีนคือเราของเรา แต่ในทีน่สุดแล้วเราก็ทิ้งทุกอย่างที่ว่าเป็นเราเนี่ไปหมดเห็นไหมคนเกิดขึ้นมามีใครเอาอะไรไปในโลกนี้ไปได้บ้างไม่มีบุคคลที่ฉลาดมีทรัพย์ก็เปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นอริยทรัพย์มีร่างกายนี้ก็ามาถือศีล น, นะสร้างความดีแล้วก็พยายามฝึกจิตให้สงบก่อนที่สั้งขาเนี่ยมันจะผุมันจะพังไป ก็พยายามสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือตั้งกิจตั้งใจไว้ผู้ที่ไม่มีภาระหน้าที่ก็คิดว่ า, าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะในบั้นปลายชีวิตอายุสัก4ี่เราก็จะปฏิบัติให้เต็มที่เต็มกำลังถึงจะไม่บวชก็เป็นคาวา่าก็ภาวนามากๆฝึกกิจเรียนรู้เรื่องกิจของเราหรือถ้ามีศรัทธาก็เข้าม า, าสมบวจสืบต่อยุบศาสนา มุ่งปฏิบัติค้นหาสัจธรรมความเป็นจริงก็เกิดประโยชน์กับจิตใจของเรามากเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้วันคืนล่วงไปล่วงไปเราไม่สร้างความดีก็หมดไปหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืนนั่นแหละในที่สุดก็ตายนั่นเราจะมุ่งหมายได้ไหมว่าตายแล้วจะไปสวรรค์เพราะบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วปรารถนาที่จะสําเร็จได้ยาก 1. ขอให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ พบกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติแล้วเกิดสติเกิดปัญญาตายจากมนุษย์แล้วขอให้เราได้ไปสวรรค์ให้เรามียุยั่ยงยืนความปรารถนานี้สำเร็จได้ยากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมุง่งหรือว่าต้องพยายามปฏิบัติภาวนาให้มาก อย่างพวกเช่นเราพวกเราก็มาฝึกกันทุกวันเสาร์วนอาทิตย์นั่นแ ะ, ะ, ะนะกับว่าเราแม้จะมีการงานก็ให้ตั้งใจไว้ทุกสัปดาห์ก็มาภาวนาปฏิบัติฝึกจิตเพราะว่าจิตนี่แล้วมาคนเดียวเท่านั้นในโลกมาเกิดก็มาคนเดียวตายจากโลกนี้ไปไม่มีใครตายกับเราอีกบุคคลก็ว่าคนนั้นกับรักเราเป็นห่วงเราแต่ไม่ได้ตายไปกับเรานะ ต่างคนต่างไปตามบุญตามบาตรตามกรรมไม่ได้ไปด้วยกันแต่ถ้ามีกรรมเสมอกันก็นกนไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่งปฏิบัติไว้ภาวนาไว้ฝึกกิตไว้ให้มีคำบริกรรมให้แนบแน่นเอาไว้เลยยามเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะได้นึกภาวนาให้มันได้ค่องใจเมื่อขาดจากลมหายใจไปชีวิตมันแตกสลายไปถือเอาอารมณ์ที่เป็นกุศล อย่างน้อยไปเกิดเป็นเทวดาสูงขึ้นไปก็เป็นพรมหรือเทา่าที่เราเห็นนริยสาจสีชัดเจนก็เป็นพระมีที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในใจก็ขอให้บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฝึกหัดละเจริญในธรรมทุกการ ท, ทุกท่านเธอ